เพื่อเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี่ได้ยินสิ่งที่เราได้ทำเราทำในสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราได้ยินนี่มีมานานแล้ว 2,599 ห้ารย้าสิบ้าปีมาแล้วเรายังไม่ได้ทำก็มีได้จริงที่เราได้ยินมานีคไม่เอามาทำก็เลยไม่เกิดประโยชน์เราก็ว่าเราั้งหลาย ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคบสั่งสอนของผู้ดิเจ้าผู้เจ้าสอนอยังไงให้มีสติไปในกายเราได้ทำแค่ไหนเพียงไรในกายในใจเรานี่มีอะไรไม่ใช่ไปทางไหนบ้างแล้วเป็นของใครกายเป็นของใครใจเป็นของใคร ว้นหนึ่งหลงหรือวันหนึ่งลู้ชั่วโมงหนึ่งหลงหรือชั่วโมงหนึ่งมันลู้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีคําถามถ้าหากว่าจริงถ้ามันถ้ามันหลงแจนว่ายังไม่ทําอะไรเลยยังไม่ได้ประโยชน์จากกายจากใจไม่สําเร็จประโยชน์มีกายไม่ใจก็ ใช่ผิดประเภทแล้วจึงมาฝึกหัดกันในภาควิชากรรมฐานเพื่อจะได้ใช่ถ้าฝึกหัดได้แล้วใช่ได้ผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระา槃มีน้อยส่วนมากจะวิ่งโละ อ, อยู่ตม งน้นดูมีความรู้สึกตัวนี่มีไม่มากความหลงมีมากมชีวิตของคนคนหนึ่งเราจะมาเห็นได้เวลาเราฝึกกรรมฐานการมีสติป็ัญกายอยู่เป็นประจำ ชั่วโมงหนึ่งมันหลงหรือมันรู้เพามันหลงและจะได้เปลียนหลงเป็นรู้แับอย่างนี้ให้มีความรู้สึกตัวเป็นที่จุดหมายปลายทางอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจให้เป็นความรู้สึกตัวเป็น ที่หมายจะให้หลงเป็นที่หมายจบลงด้วยความหลงจดลงจบลงด้วยความสุขความทุกข์มันไม่ถึงที่หมายยังอยู่ที่เก่าหรือไปไม่ถูกทิศถูกทางไม่ได้หัดบมิศสนตัวเองมันก็ใช่ไม่ได้ได้ได้รู้ สิ่งที่มันรู้ก็มีอยู่มีกายอยู่นี่มีใจที่มันคิดไปโน่นไปนี่มันคิดไปก็รู้ได้สนมันเวลามันหลงที่มันคิดความหลงที่เกิดจากความคิดความคิดทอมไม่หลงเราจะได้รู้มันได้สอนมันเมื่อผิดไม่ได้สอนมันก็ผิดไปตะพื้นตะพื้ เหมือนสวนอะไรเหมือนกันครูสนนกเรียนทวนช่างฝึกช่างสรถีฝึกมาแล้วก็ฝึกได้แม่แต่ฝึกสัตว์ลียๆก็ยังฝึกได้ ไปเห็นอยู่ที่12ปันนาเสือโค้่งตัวย่อยๆก็ามาฝึกสองตัวให้ฉี่ลูกบอลจิ้งไปจิ้งมาบนเวทีจิ้งถอยหลังด้วยเป็นวงกลมเป็นรูปอะไรต่างๆตาม ที่เหมือนแสดงออกเมื่อมันหมดงมดเพลงแล้วก็ลงเราเข้าไปอยู่ในกลงเราเปิดเพลงขึ้นเรก็วิ่เดือดจากกลงมาาขึ้นลูกบอลจิ้งไปจิ้งมาจองทัวใหญ่ๆจิ้งสลับกับกันไปมาแพ้ไต เชือกเราลีงขี่หลังขึ้นเป็นไตเชือกกลับไปกลับมามันไม่มีมือมันไม่มีเล็บที่จับมันมีเล็บแต่มันยังไตเชือกได้หมีเดินจับแขนคนโน่นคนนี่เหมือนใส่เสือ้อ ชุดเสื้อคนีดำๆ อ, อกเขาขาวยืนสองเท้าใครก็ไปกดคอถ่ายภาพนกยูงแ ล, แล้วก็โปรนกปีดมาเป็นพันๆตัวบินมาในป่านี่ก็งดมัน ยังหนได้เียคนเราแท้ๆเนี่ยมันไม่มากขนาดนั้นไม่ให้หัดแบบนั้นมันหลงให้ลูดให้นี่เองมันปฏิบัติได้อยู่ทาได้อยู่แล้วมันสุขให้รู้มีไหม มันทุกข์ให้รู้มีบ้างไหมความทุกข์ความสุกความหลงความโกรธที่เหลืตาลาาั้งนละคะมีไหมแต่มันมีเราก็สอนให้มันรู้ซะใหเห็นไปเห็นเราก็ไม่เป็นมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขพ้นจากความสุขไปทางนี้มีสติ สติมักจะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสติไม่ใช่สติที่ไปสงบนิ่งเหมือนก้อนหินไม่ใช่สติมันจะเป็นสิ่งที่โสอนอะไรที่ไม่ใช่สติสอนเป็นสติทั้งหมดเป็นสติสมจัญญะทั้งหมดดูสึกระลึกได้จบแควแผ่นดินสุดแค่นี้ ชีวิตของเราสุดแค่ความรู้สึกตัวเห็นไม่เป็นจบไปแล้วก็สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่จบสักทีโกรธเป็นโกรธโลภเป็นโลภ เ, เกลียดชังเป็นเกลียดชังพอใจไม่พอใจจบไม่เป็นสมไม่เต็มก็เห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยจบง่ายๆ มาเท่าไหร่ก็จบลงได้จนไม่เป็นอะไรก็บรรยายชีวิตที่ถึงที่หมายไม่เป็นอะไรก็บรรยายนั่นก็ไม่ใช่จให้อะไรมาตั้งชีวิตตั้งอยู่ในชีวิตเรานี่แตอะไรมาตั้งก็ไม่ไม่มรู้จะตั้งที่ไหนเพาะมันไม่เป็นอะไรไม่มีที่ตั้งไม่ให้ค่า ก็ลหลงไม่ค่าความสุขความทุกข์ไม่ให้ค่าําไม่ไม่มีําไม่สลัดคืนเหมือนไม่มีที่ตั้งเขาก็กลับของเขาเองอะไรที่เป็นแปดหมื่นสี่พันอย่างที่มันเกิดขึ้นมาภายกับใจ เลตพ5นห้าตันหาอยแปดมันพูดจะอาศัยตรงไหนเพราะมันไม่มีอะไรชีวิตจนถึงชีวิตถึงที่ไม่มีอะไรแล้วอะไรจะมาทั่งอยู่ได้จริงๆเป็นการเหนือเกิดเจ็ เ, เ, เจ็บตายลักษณะแบบนี้ในชีวิตที่ไม่เป็นอะไรมาจะทำทำอะไรล่ะมันก็ทำทุกอย่างที่มันเป็นการงานชอบผู้ชอบคิดชอบมันมีเยอะ เ <c oughs> มื่อหลุดจากนี่ไปนะถ้ามันยังไม่หลุดจากนี้มันคุ้มร้อยคุ้มดีบางทีก็เบื่อหน่อยบางทีก็ชอบบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจทําตามสิ่งเหล่านั้นไปมันตันถ้าไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลเกิดออกเหมือนมือสองข้างขี้มันเสียนอก วันน้เบ้ออกไปว้ออกไปเปิดออกกว้างใหญ่ไพศาลสุขมันเหมือนกับชี้มาถึงตัวจนกับความสุขทุกข์ก็จนกับความทุกข์แคบๆไม่กว้างใหญ่ไพศาลมันก็นเลยอิสระภาพจะทําอะไรหรอกทาสิ่งที่มันชอบพูดอะไรพูดในสิ่งที่มันชอบ ไปหมดเลยไปเป็นพวงเลยแล้วผมช่วยทำความดีกินบริสุทธิ์จบเลยชีวิตเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมตามปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในชีวิตของเรานี่ไปหาที่อื่นไม่พบถ้ามีหลงอยู่นั่นแหละงานถ้ามีสุขวิทุกข์เป็นงานของเราแล้วอย่าปล่อยทิ้งมันจะค้าง งานข้างคาอาอ า, าณากรลาจะกับันตา <c oughs> งานยุ่งเจิงสับสนหลงแล่หลงอีกหลงจนตายโกจนตายทุกจนตายจนตายไปเป่า <c oughs> ยิ่งกะมากไปด้วยถ้าเราไม่หัดนะออกหน้าออกตา ไม่มีความรู้สึกตัวใช่เลยในชีวิตตั้งชาติทันสมัยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทันสมัยเป็นสากลไม่ใช่คนเรื่องละเล่าเหมือนกันหมดสากลแห่งธรรมเวลาเรารู้สึกตัวคนเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ในโลกเนี่ย เหมือนคนคนเดียวกันเลยมันทำอะไรถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็เลาะควบชั่วถ้ามีความรู้สึกตัวก็ทําความดีถ้ามีความรู้สึกตัวก็จิตบริสุทธิ์เมื่อไม่ทําชั่วมันทำไม่ทําแต่ความดีจิตบริสุทธิ์มันทําอะไรล่ะเดี๋ยวแค่ <Okay. S 1> เกิดเมตตากุณาขึ้นมาเต็มชีวิตไม่มีมขอบเขต แต่ก่อนอาจจะลักแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่โนกนะพัญยาจะมีลูกเต่าห ล, า, ลานผมมันมีผมรู้สึกตัวมันไม่เป็นอะไรมันก็เกิดความลักมาแทนที่วาหาคุณลุงที่คุณเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่างเหมือนกับอันตรภาคบ้า ง, างเพื่อ รับเต็มไปด้วยคุณความดีว่างจากความไม่จากความชั่วเต็มไปด้วยความดีว่างแบบนี้นะไม่ใช่ว่างในายหัวใจนี่เต็มไปด้วยเมตตากรุณาไม่เหือดไม่แห้งแม่น้ำภูเขาจะขวงกันไม่ได้ สงสารลักชอบไม่ดีไม่ถ็่ไม่ใจโอนหมาก่ะกันสิ่งต่างต่อมันเกิดจากการักตัวเองมันเห็นตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นถ้าลักตัวเองเป็นคนลักคนอื่นได้จะหลงยังไงสงสารตัวเองจะทุกข์ยังไงสงสารตัวเองจะโกรธยังไรสงสารตัวเองใอ้โกรธก็เหมือนกันไม่ ไม่ต่างกันมันจะโกรธได้ไงก็กตื่นเรื่องที่ช่วยกันโอ้โหตื่นขึ้นมามีอะไรก็ทำจนสุดความสามารถละความช่วยได้แล้วชวนคนอื่นละทำความดีได้แล้วชวนคนอื่นทำ กิดบริสุทธิ์แล้วทำชวนคนเหนือเขากิจบริสุทธิ์ต่อไปต่อไปจบไปไม่จบไม่สิน้นแล้วก็มีงานเกิดขึ้นมากมา่เห็นไหมพระพุทธเจ้าสี่ห้าปีนิพพานแล้วตั้งแต่อายุสามสิบหกปี จนถึงพระชนมายุแปสปีทำอะไรมีใครเสมอเหมือนได้ไหมพระศาสด า, าของเราเดียทำอะไรบ้างไปดูลองลอยดูซื้ออินเดียเนเปนิลตมาถึงสวามกสแสดงในหลายพื้นที่จนมาถึงประเทศไทยเราข้ามด้ามข้ามทะเลมา ต้องรอเห็งความดีฝีมือของพระสงฆ์สมัยตัวมาจาภูเขาส้างวัดได้ส ล, ลลสลาหลังใหญ่กว่านี้เก้าหลังใหญ่กว่าสนาหัวใจนี่ยจบหินนั่งดุ้นเลยภูเขาเป็นลูกตัวอยู่เป็นลูกตัวอยู่ เป็นศาลาเป็นเสาเป็นคือเป็นฝาเป็นผนังเป็นห้องนอนมีมนุษย์คนไหนที่ทำได้ขนาดนั้นตั้แต่เราสร้างอยู่เนี่กยกี่ปีแล้วยังไม่เท่าศาลาบนอชันทา่าเท่าหนึ่งหลังท เ, ลเท่าไร ไม่ตาำกว่าร้อยสองรอยปีสามรอยปีทำต่อกันมานี่ือคื อ, คอมันไม่เป็นอะไรมันก็สนุกทาไปดูเอาโลุมพุทโธ อ, อินโดนีเซียดูสิใหญ่ขนาดไหน ไอ้พื้นที่ประเทศไทยก็ยังมีล่<พ>องรอยก็มาเห็นทะเฉลอะพระอุตละใช่ไหมใช่ปะแงีนยบะมาเห็นเถอะเอาไม่ใช่นะพรนะโสณนนะใช่ไหมโสณนนะอุตละนะหัวจาไม่จ<ส>าไม่ได้นะสองรูปข้ามน้ำข้ามทะเลมา ไปขึ้นฝั่งตะกัวป่าจังหวัดพังงาเราไปมาแล้วก็มาลอดมาทีนความปฐมสร้างเกดีปฐมคือขั้งแรกปฐมปะปฐมคือหนึ่งปฐมระหนึ่งมาถึงสุโขทัยรูสิไม่เป็นอะไร ชีวิตที่ไม่เป็นอะไรมันทำมาลายนะนี่แต่รัวตัวเองก็ไม่รักตัวเองไม่รับผิดชอบจะไปรักคนอื่นได้ง่ายเออเสียวันที่ผ่านมาท่านผูว่าจใจผมมาคุยกันหลวงพ่อก็บอกว่าท่านผว่าก็สัสง่งสอนเรื่องการอนุรกธรรมชาติใช่แล้วท่านผูว่า ทันสมัยแล้วทุกคนเนี้ต้องไม่อนุรักษ์ในรักษาธรรมาชาติชีวิลองเสียวล่าสมัยที่ถุดยุคนี้สมัยนี้นะ่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าฟรีเลยทั้งชาติเลยเราพูก็พูดว่าแบบนี้ตว่าเอาด้วยก็ห น, นุ่ม กันอย่าล่าสมัยกันเลยพวกเราต้องปฏิบัติธรรมเปลียนหลงเป็นลู่นี่เปลี่ยนหลงไปไม่หลงทันสมัยเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเป็นลู่เปลี่ยนอะไรเป็นลู่นี่ทันสมัยที่สุดเลยดูแลตัวเองให้ดีปัจิมันเป็นเจ้าของกายเจ้า ข, ของกิจใจ จะได้ปลอดภัยชทีแต่ก่อนก็ค้นว่าฝันกลางวันว่าคิดฟุ้งซ่านบางทีก็ของชิลล์ ก, กเป็นกลางของเกียิชังทำตามควมละความชางเสียผู้เสียคน ทะเลวว่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะห่ายเพราะใจเรานี่เราจะพึ่งอะไรกันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมจะอยู่กันอย่างไรในโลกนี้แต่นี่คเมนกับไทยก็ลบกันแล้วยิงมีปืนหู้ซื้อปืนมายิงกันสัตว์ที่รัชฐานที่ไหนเขามีกันมนุษย์หรือเป็นสัตว์ประเส ร, ริฐหรือประเสริฐยังไง ยิงจะลวดใส่กันใส่บ้านเรือนจางวัาม้อยวอดไปเลยอย่างนี้หรือสมมติปัญญะ น, นั่นของกูของมึงมันได้หรือไม่ได้ประโยชน์อะไรใครได้ประโยชน์หน้าเสียดายหน้าที่จะมารักกันเป็นฉันมิตร มาถึงฝั่งนี้อย่าไปอยู่ฝั่งนูน้นมันหลงมาฝั่งไม่หลงเหมือนทุกมาฝั่งไม่ทุกเหมือนโกรธมาฝั่งไม่โกรธมาไม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยื่งใหญ่เนะว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยจุดหมายปลายทางความรักความสางังกักขังไม่อยู่ก็ดูดได้ ถึงภาวะไม่เป็นไรด้วยหัไทยของชีวิตเราให้เรากเกิดมาถึงปูนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันมานี้ปฏิบัติธรรมที่นี่กันเถอะตัวใครตัวมันอย่าเบียดเบียนกันอย่าใช้แรงงานกันให้ทำด้วยความสมัครก็ไม่เป็นอะไร ไม่อยากทำก็ปฏิบัติเรื่องราฉันก็ไปฉันถ้าอดน้าจินไม่อิ่มบอกไม่ชีบอกจอนรงศีลบอกะจะไปไหนมาไหนที่นี่ไม่มีราบสักกันละจำเป็นต้องใช้ปัจจัยบอกกันได้ ดูแลกันได้ไม่ทอดไปทิ้งรถค่าเรือไปไหนเหมือนครอบครัวเดียวกันอย่าว่าไปใค้พ่อใค้แม่ไม่มีพี่มีน้องไม่ใช่เลยนี่แหละพี่น้องอย่างยิ่งอย่าวกันแล้อย่าละมิดมันยิ่งกว่าสายรุหิตกันแล้อย่าลมิดเนี่ย ไปถึงมรึกถึงผลสายลูกเหตุไม่ไปไม่ ไ, มไปไปไม่ถึงมรึกถึงผลนะการละยานามิตรพระพุทธเจ้าว่าทั้งหมดเลยไปถึงมรึกถึงผลถึงนิพพานเลยจวนกันไปสุขเท่ากันทุกเท่ากันอิ่มเหมือนกันหิวหิวหวนกันถ้า ต, ตัวเองอิ่มก็คิดเห็นคนที่หิวอยู่ ตนอนในผ้ <ใน S 1> าห่มที่ดีก็ ค, <น S 1> คิดถึงคนที่มีผ้าห่มที่หนาวไอ้จะเหมือนกันใครมาที่ไหนเหมือนกับเจอหัดเราทั้งหมดที่นี่ไม่มีใครแปลกหนะ้ามีแต่ญาติเพื่อได้พบก่อนเป็นญาติกันมานานแล้วเป็นเพื่อนเคยแกลเก็บตายมาเหมือนกันหมด ไปเบียดเบียงก็ทําไมมาช่วยกันเนี่ยช่วยกันบอกกัอย่างนี้หลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยก้าวแรกไปจากนี้ถ้ามีหลงอยู่นั่นแหละทํำซะเปลี่ยนหลงเป็นลูกความลูกหาได้ง่ายหายใจเข้าก็ลูกก็มาหายใจเขา้าก็ไปหลงเอาความหลง คิดความหลงอยู่ไม่ใช่กลับมาหาที่ตั้งใ้วันนิมิตกรรมฐานดูขึ้นว่าอยุกสร้างจังบวะเข้ามาหากรรมฐานวิชากรรมฐานในจบจุความหลงก็จบได้อะไรก็จบได้ถ้ามาหากรรมฐานเราให้เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องค้นคว้า จบไม่ลงอย่างน้นตาเป็นโรคมะเล็งในก้อนเนื้อลำคอเขาหมอหมอมาตัดเอาก้อนเนื้อในคอต้องไปจ้างเขาตรวจสองสามวันมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชีวิตเขาจะตายแล้วหายใจไม่ได้แล้วกว็เขาจะตรวจได้ก็หลายวันสองสามวัน ตรวได้อือรู้แล้วว่าก้อนเนื้อใน ล, ลคอมันมาเป็นก้อนเนื้อโตเร็วก้อนเนื้อโตเร็วบอเขาเลยรู้จากว่าก้อนเนื้อโตเร็วก็ ร, ร, กกรกีบรักษาแบบนั้นกัหลายอย่างต้องมีวิทยาศาสตร์มีอะไรเยอะแ ย, ะ เ, ยะเครื่องไม้เครื่องมือแต่ในทุกอันความดับทุกดับไม่เหลือแห่งทุกไม่มีที่ไหนไม่อยู่ในชีวิตเรานี้ ทำได้ทันทีจบทันทีมันหลงลู่สิ่งที่ลูกก็มีอยู่วัสดุอุปกรณ์มาผิดความลู้มีอยู่วิชากรรมฐานเปลี่ยนได้ทั้งหมดในความทุกข์ถ้ามีกรรมฐานหรอเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์ในตัวมันเองเพิ่มกัน ความหลงมาเพิ่มกันกับความไม่หลงความโลภความบ่งความทุกข์มาเพิ่มกันกับความไม่ทุกข์เห็นทุกข์ของอริสตจังเป็นเหยื่อยติไม่พิกกเวอิเมสุสตเตสุ ทำไมสุจักขงุทปฏิทุกเรารู้แล้วม yes ีพระเจ้าทำไมเราได้ทำกับทุกแล้วเราได้ทกับทุกได้แล้วเป็นจริงอย่างนี้ทุกของสุเทียมทุกของอริสัจจังทุกของสมบทที่ยอมงอริสัจจังจำไม่ได้ ไต่ส่วนทำมาจากกงได้เปรียบหลวงพ่อนะขังสมทุทายัอยยุยกอันน้สัจจังปฎิญญาเยนติมีพุกเวรใช่มที่มีสูรสัจติสนะ่วทุทกสมัติให้เกิดตัวรู้แล้วแล้วลทาแล้วทาได้แล้ ว, ลวได้แล้วบุคคลอัเนเชจัง โลค่ะทุกข์องนิโรค่ะปะหาตัปปันติเมพิกเวไม่ถูกเพอาะในะนะผู้รู้ทั้งหลายทำให้แจ้งแล้วทุกข์รูแลว้วมรรคเออสมุทัยละได้แลว้วนิรุธทำให้แจ้งแลว้วมรรคจะิญมากแล้วจะเลินมากแลว้ลแลวดูจะดูเห็นจะเลิน มากคือดูคือเห็นเจริญมากรู้ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจไม่มีหลงเลยรู้แล้วมากแล้วมากแล้วมาวมาปวิตาผู้ฤกตามีสติภรยในกายต่อเนื่องมีความขา็งแมากมากมากมากมาหาลู่มันจะอยู่ได้ไหมความหลงนหะน หลับางมันเลยถ้ายป็นควมรูนะกระโดดใส่เลยก็โจนใส่เลยสะดวกเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเลยโอ้ยเป็นงานชอบที่สุดเลยเปยนทุกเป็นทุกในงานชอบที่สุดเลยอขาเหยียนตรงนี้เลยไม่ปล่อยไม่ทิ้งทําริงเหล่านี้ได้เลยมันก็ ยกมือหวยตัวเองเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ยกมอหว้ <im ple al> ตัวเองได้ไหว้ตัวเองก็คือไหว้คนอื่นเคาลบคนอื่นเคารพผัวมั่วที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราก็เหมือนกับความเคารพคนอื่น เ, อเนสอนพวกเรา่เคารพกองเขีย้ยว ที่จะเคารพของขี้หมาว่าขี้หมามันเหม็นอย่าไปเหยียบมันเว้ไปแล้ว่าเคารพถ้าไม่เหม็นเราไปเหยียบมันก็เหม็นนะความกรูดไม่เคารพมันไปให้มันโกรธขึ้นมามันก็เหม็นในทัวเราทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่เคารพความชั่วเว้น เีช่างสิบบาหเดกคนบา้าร้อยเส้นเดีกช่างสิบบาหลีกคนบ้าร้อยเส้นนี่ก็คือชีวิตของเราเนี่คบคน่านคบบัณฑิตคนพานเกิดขึ้นในทัวรโลนี่ไม่ใช่คนพานทีที่ไหน บัณฑิตก็เกิดอยู่ในตัวเรานี่ลู้คือภาวะที่ลูกคือบัณฑิตคนผานคือหลงความโกรธคือคนผานความทุกข์คือคนผานอย่าไปคร บ, บรบอย่าทำตามมันจาโคสลัดคืนงุดโตปฏินิสตโตอนาลิโยไม่มีที่ให้อาสัย ไม่ไมมีที่ให้อาศัยในสิงเหล่านี้ได้เียว่าเขาลบสิทธิรอยเปรจนมันหลงมีสิทธิไม่หลงมันทุกมีสิทธิไม่ทุกโอ้ความทุกไม่ชอบทำความไม่ทุกเนี่ชอบที่สุดเลยใครๆก็มีได้และเป็นประโยชน์ด้วย แบบคนคนหนึ่งถ้ามีถ้าทำได้ริงหรอกนีนะ้มันก็เกิดอะไรขึ้นมานะในโลกเนี่ยมันช่วยโลกได้ทำคุ่มครองโลกขาดทำโลกาพินาศถ้าสินทำไม่กลับมาโลกาพินาศถ้าทำกลับมาเรียกว่าคุ่มครองทำย่อบรกษาผู้พิทธรรมอยู่เป็นนิด ดูอย่างนี้คือมันหลงลูกขึ้นมาคุ้มครองแล้วตัจะครองตัวเองมีสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจักดูแลให้มันคุม้มหนึ่งวันชั่วโมงหนึ่งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีออกมาอยู่ตรงนี้ตายอยู่ที่ใดไปไมเพี้ยน <c oughs> อราอยู่ด้วยกันเนี่ย วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีลองดูทีมีใครค่าพิสูจน์เรื่องนี้ได้ไม่ต้องทำอะไรละให้อิสระอย่าห่วงอะไรมากเลยโดยเฉพาะชีวิตของเราที่เป็นคนมีอายุเนี่ยอยากจะให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเตรียมตัวตายกันซะก่อน วันนี้ก็เฮ้ยมด็กคนเจ๋อเวลาไม่มากตอนนี้กับพระ